เหล่านี้มีแต่เรื่องจิตตบภาวนาที่จะตามต้อนกิเลสอวิชชาให้ดับคาสะบ้านลงไปจากหัวใจอภิธรรมเราก็เรียนมาเหมือนกันจะมาอวดได้หรอือเราเรียนมาเหมือนกันพระไตปิฎกทั้งสามเรียนทั้งนั้นแหละพระวินัยปิฎกนี้ก็กฎหมายพระเรียกว่าศีลของพระคือพระวินยัย พระสุตตันตปิด ก, ก็เกี่ยวกับพวกสัตว์ทั้งหลายทั่วดินฟ้าอากาศทั่วโลกดินแดนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเรื่องนิทานชาดกเรื่องนั้นเรื่องนี้ลงในพระสูตรที่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไปตกนรกไปสวรรค์เป็นเรื่องพระสุตรตันตปิดกส่วนเรื่องจิตใจทางด้านภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์แล้วคืออภิธรรมล้ว น, วนจะเป็นอะไร อภิธรรมคือยอดของธรรมอยู่ที่นั่นไม่อยู่ที่ไหนนะถ้าว่าอภิธรรมไม่มีไม่มีในครั้งไห น, ไหนก็ตามฟังไม่ได้เลยว่างั้นเถอะจะมีในครั้งไหนไม่ครั้งไหนก็ตามศา ส, สนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เกิดขึ้นมาจากอภิธรรมทั้งนั้นว่างี้เลยเว้นอภิธรรมแล้วพระพุทธเจ้าเกิดไม่ได้ อภิธรรมไม่มีเสีอย่างเดียวเรียกว่าศาสนาพระพุทธเจ้าเกิดไม่ได้ศา ส, สนาไม่มีต้องมีอภิธรรมเป็นเรื่องยานเลยแล้วจะมาเรื่ออภิธรรมออกว่าไม่มีในพระไตรปิฎกได้ยังไงถ้าไม่เลวจะ ย, ยิงกว่ามนุษย์ทั้งหลายเขาเลวกันนะมันเลวยิ่งกว่านั้นไปอีก มีโยมถามคําถามขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่าพระอภิธรรมไปรวมอยู่ในพระวินัยกับพระสูตรหรือเปล่าครับตอบว่าปนก็คนนั่นแหละไปปนนะ่ะทำท่านไม่ปนใครอย่าไปหาแยกไปหากาวในที่ไม่คันสู้หมาไอ้ปุกกี้เราไม่ได้ไอ้ปุกกี้เรามันจะเกาที่คัน ที่ไหนไม่คันไอ้ปุกกี้เราไม่เกา่าไอ้นี่มันเก่าดากเลยไอ้ปุกกี้เราเนี่ยสู้มันไม่ได้ไอ้มันเป็นอาจารย์ของไอ้ปุกกี้เสียจะแยกมาไม่แยกมาก็ตามอภิธรรมคือหัวใจของศาสนาว่างั้นเลยเท่านั้นเองจะอยู่ที่ไหนจะแยกมาไม่แยกมาก็ตามนี่คือธรรมันล้ำเลิศหรือว่า นี่คือทองคำว่างั้นแต่กลัวราธาต่างๆเต็มอยู่นี้ยังไม่มีทองคำก็ตามทองคำก็เป็นทองคำอยู่งั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จะมาคว้าหาพวกขี้หมูราขี้หมาแห้งก็เป็นเรื่องของเข้าไปทองคำก็เป็นทองคำอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆสัดกันเลยทีเดียว พราะเป็นรากใหญ่ของศาสนามีอยู่ในพระอภิธรรมทั้งนั้นนี่นะอย่างพระวินัยก็เหมือนกันก็ไม่เห็นมาแยกโน้นแยกนี้เวลาพระท่านบวชที่แรกไม่เห็นมีพระวินัยมีเห็นพูดบ้างละ่ะเวลามีพระทำผิดทําพลาดอะไรท่านจึงบัญญัติพระวินัยมีขึ้นที่หลังมีเห็นพูดบ้างละ่ะเข้าใจเหรอพระสูตร ก็สัตว์โลกทำความดีความชั่วมาตลอดก็ประมวลมาเป็นพระสูตรพระอภิธรรมนี้เจริญเจตสิกรูปนิพพานใช่ไหมละ่ะเหล่านี้มีแต่เรื่องจิตตภาวนาที่จะตามต้อนกิเลสอวิชชาให้ดับขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจทรงธรรมาธาตุขึ้นมาออกจากอภิธรรมทั้งนั้นออกอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเลยเอาหัวชนต้นไม้เลยเราไม่ชนฝา มันไม่พอชนป่าอาจทลุ ก, ก่อนถ้าชนต้นไม้นั้นต้นไม้อาจจะยังไม่ล้มเราอาจหัวแตกก่อนชนต้นไม้เลยเราไม่ถอยเพราะผิดอย่างจังเมืออวดทำไมถ้าหากว่าออกมาจริงๆแล้วนี่ละ่ะพวกทำลายศาสนาเทวทัตกับพระเจ้าสุ ป, ปาพุทธะทำลายศาสนา มาปัจจุบันนี้พวกนี้เองทำลายต่อกันมาว่าอย่างนั้นไม่ผิดเราก็พูดไปอย่างเงียบๆแบบได้ยินแววๆนะจะมีมูลความจริงแค่ไหนเรายัางทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงตอบเพียงเราตอบนี้เพียงแววๆเราบอกอย่างนั้นเพราะได้ทราบมาเพียงแววๆเราไม่ตอบอย่างหนักหน่วงแล้วใครมีข้อข้องใจจะถามมาก็ให้ถามมาแบบแววๆนะ เพราะเรายังไม่ได้ต้นต่ออันหนักหน่วงมาเราจะตอบแต่แว่วๆเท่านั้นเราก็ว่าอย่างนี้จะได้ตนต่อมาแล้วตูมเลยเทียวเวลานี้กำลังเริ่มล่ะพวกที่จะทำลายศาสนามันเริ่มแทรกเข้ามาเข้ามาเราพูดอย่างจังจังเลยกะหลวงตะบัวยังไม่ตายให้มาว่างั้นเลยปังสินะ่ะให้มาตั้งแต่เพียงแวแวๆมาก็เริ่มใสยกันแล้วนี่นะ ถ้ายิงหนักมากกว่านี้ปาดขาดสะบ้านเลยอะไรจะเป็นภัยต่อศาสนาทำไมจะไม่รู้ผู้ปฏิบัติศาสนาไม่รู้ความได้ความเสียมากระเทือนศาสนาได้ยังไงต้องรู้ต้องแยกออกมานั้นมันก็รู้แล้วความเลวร้ายของคนประเภทนั้นอันนี้เราได้ทราบเพียงแค่นี้ถึงได้พูดเพียงแค่นี้เป็นข้อยืนยันรอยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้ต้นต่อมาจริง ว่าพูดอย่างนี้จริงๆเหรอพูดออกมาจากใครไล่เบียเข้าไปถึงต้นตอมันนั่นสิเราจรึงตอบแบบแววๆไปเรียกว่าขูไว้ก่อนก็ได้ขูฟ่ฟอๆไว้ก่อนถ้ามาเอาจริงก็ใส่เลยเรียกว่ากลางเล็บไว้ก่อนยังไม่ตะบกถ้ามาจริงก็ป้วเลยทันทีเราพูดจริงๆมันจ้าอยู่ในหัวใจนี้มาแง่ไหนมันรู้ทันที ประไตยปิฎกที่ไหนออกจากหัวใจทั้งนั้นอภิธรรมก็ออกจากนี้ปฏิบัติตามหลักนี้แล้วขึ้นเป็นอภิธรรมเต็มหัวใจพระพุทธเจ้าอภิธรรมเต็มหัวใจเพราะฉะนั้นจึงมาลบไม่ได้พระสงฆ์สาวกอภิธรรมทั้งนั้นไม่มีแม่องค์เดียวที่จะผ่านอภิธรรมไปได้ได้บรรลุธรรมขึ้นมาโดยไม่ต้องผ่านอภิธรรมไม่มี ฟังสินะเราจะมาลบว่าอภิธรรมไม่มีในพระไตรปิฎกได้ยังไงพระไตรปิฎกผู้ที่ไปจดจาวรึกเป็นคนโง่เมื่อไหร่ใช่ไมล่ล่ะก็คนฉลาดนักราษทั้งนั้นเราไม่ฉลาดก็อยู่ตามสภาพของเจ้าของเป็นไรไปอวดดีอวดฉลาดยิ่งกว่าผู้ไปจดจารึกมาทําไมก็มีเท่านั้นทำพระพุทธเจ้านี้ สดๆร้อนๆไม่มีการไม่มีสมัยเรื่องธรรมกับมาธรรมคือกิเลสกิเลสเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาธรรมก็เป็นอากาลิโกไม่มีสถานที่เวล่ำเวลาทําให้เป็นกิเลสเมื่อไหร่เป็นทันทีทําให้เป็นธรรมเมื่อไหร่เป็นทันทีผลเสมอกันแล้วแต่ใครจะเอียงไปทางไหน เอียงไปทางกิเลสเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีเอียงไปทางธรรมเป็นธรรมขึ้นมาทันทีทั้งสองนี้เสมอกันท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกเหมือนกันเป็นอากาลิโกเสมอกันจึงไม่มีอะไรที่ว่าเรียวแหลมหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้น